ในช่วงของคุยธรรมะเราจะต้องมีเรื่องมาตรฐานในวันนี้อาตมาพระไพ่ อันตัวเป็นคือมีชาย 2 คนก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่เอ่อ นะพอ 2 คนนี้หมดสิ้นอายุไขใช่มั้ยต่างคนก็อ่าตายไป นะถ้าเราตีม้าไม้นี้ให้มันอะไรที่มันหนักอะไรพวกนี้มันก็จะตกลงไปในน้ําอะไรที่มันเบาเช่นเนยพวกนี้มันก็จะลอยอยู่บนผิวน้ําคือพูดถึง ในกรินิของนายขาเหมือนกันนะพอเค้าทําความดีปุ๊บนะในช่วงชีวิตมีทําความดี นะไม่ต้องไปซื้อแค่นิมิตนึกเอาปุ๊บก็ของก็มาทันที โทรสอบดูด้วยความสามารถแห่งเทวดาก็เลยในฐานสวมของพระแล้วพอเกิดพอทราบ เป็นเทวดาทีนี้ก็เลยถามสารทุคสุขติดกันหนอนนอนนายดําก็ถามนายขาว เสียใจแทนเพื่อนว่ะโหทําไมในขาของเราไปว่าเมื่อถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวพระก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้แล้วน่ะไทย จะต้องไปไหนในหอเหอะอะไรไม่จําเป็น อีกเป็นนานเนี่ยเอ้าไปงั้นเราไปดูเทวดากันไหนไปดูกันว่าสวรรค์มันเป็นยังไงจะชวนกันไปละไหนปรากฏว่าหนอในดําถามคําหนึ่งบอกว่าบนสวรรค์นี่มันมีขี้นะ ในจุดนั้นเนี่ยเอ่อแต่ละคนก็ต้องแยกกันไปนะตามที่ในดําก็ว่านะเทวดามีตนเดียวมีทั่วเดียวคือเทวดาในทั่วเทวดาเลยนะทั้งร่มด้วยอะไร 1 ละ 1 นํามาโหวตเลยนะใครจะดีกว่ากันนะพวกนั้นเค้าต้องบอกว่าสัตว์เดรัจฉานดีกว่าอะไรดีกว่าเพราะโหวตกันแล้วเนี่ยยังจะเอาเทียบแล้ว เอาเหมือนกับเกิดเป็นมนุษย์สิเนาะเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดเป็นที่ไปเกิด มันก็จะถูกจองจําอยู่ในพบของมันเนี่ยนานมากเลยท่านฟังถามว่าในที่เนี้ย ทำไมแต่คนหมู่มากเป็นหลอนล่ะถ้าคนหมู่มากนี้มีความ ศีลสมาธิปัญญาปุชาบัญญัติไว้ว่าไงก็เอาตามนั้นแต่ถ้าการฆ่าสัตว์มันไม่ดีเนี่ยคือยังไงก็ไม่ดีอ่ะ ในโลกนี้พูดว่าต้องโกหกนะยังไงการมีแต่โกงนั่นแหละโอ้ยเราจะทํายังไงไหนถ้าเค้าด่าฉันก็ แล้วแม้แต่อย่างว่าคนหมูมากเค้าถูกหรือเปล่าถ้าคนหมูมากเค้าไปตาม ผิดศีลอยู่ดีเค้าก็เป็นคนไม่ดีอยู่ดีนะคนไม่ดี 10 นิ้วมาที่เราด่าด่าๆ ก็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะ ในการทํางานของเรานะคือมาตรฐานในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนดีเราก็ดีตอบอ่ะคนชั่วเราก็ร้ายกับเขาตอบนะไม่ใช่อย่าง 2 มาตรฐานนะสมมุติคน 2 มาตรฐาน 2 อย่างใช่มั้ยแต่เดียวเนี่ยก็ นะในใจเรามี 1 มาตรฐานเท่านั้นที่จะทําดีกับทุกๆคนไม่ว่าใครก็จะเป็นยัง 3 คน 15 ล้านคน 11 ล้านคนก็ถ้าทําดีก็ดีทําไม่ดีเราก็ไม่เอาเราเอาแต่สิ่งที่ดีบอกเอาไปว่ามักจะพูด แหมพูดดีบ้างไม่ดีบ้างเราเห็นแต่ด้านดีนะในใจเราก็ไม่ ในกันนี้เราจะตัดสิน